เรื่องไปเก่าวัดหลวงพ่อไปเที่ยวทุดงในปลาไปกระสงสัยจะเป็นมาลาเรียพอองค์นึงเป็นมาลาเรียแล้วสมัยก่อนใครมาลาเรียสมัยก่อนโอ้อาการนักเล้มาในรูปฟอก็ปวดหัว อ, อปวดหัวปรจักเศร้าแต่มันก็ปวดแหงเด้อ เออบ้านนี้เขาก็เลยหมอโรงพยาบาลไปไปพักยวนโรงพยาบาลศรีทัน ญ, ญาโรคพยาบาลศรีทัน ญ, ญานี่เป็นโรงพยาบาลบาล้านได้เม็นบอลบ้านให้พาะ อ, อ่อนเป็นโรคจิตหลงตาเป็นโรคจิตลงตาหมาบวชไปพักยวนพักผมไครครับเป็นเอกเทศดีเพราะว่าบ้านพักพาะ อ, อ่อนเนี่เป็นมีบริเวณกว้างขวา ง, วางผมก็ปฏิโยผมมาอยู่กรุงเทพเองผมมีประโยชน์มิแต่ ย่อมผู้เท่าผู้นึงผู้ใช้ผู้หนึง่งเนี่ยไปอยู่ทั้งไตฮะนะท่านอาจารย์ไปภากหันก็ได้อนยะู่ฮะสององค์วงหนึ่งเนี่เป็นมัลเรียอิลีอาจารย์หัวเพื่นว่าโอ้ไปอยู่ทั้งสกลนครตีนเขาผู้พ่านขัานว่าบอขมบอเจ้าของเป็นไขม่มาลเรียเนี่ยโดดกุฏิแลนแถวสันเถวเพื่อนว่าเพราะว่ามันปวดหัวเขาปวดหัวเขา บ้านเป็นผีข่างย่างอยู่ไง <c oughs> นาประตูลงไปผีมันเขาา่าเม้าลงไปมันประสาทร้อนเล ย, ยก็เลยขึ้นกินบ้านไงโอ้ยมันบอกเป็นผีเราสิกูเป็นมาละเรียวสินเนี่ยมันประสาทร้อนเขาว่นเนี่ยประสาทร้อนสะก็เลยบดดกุติอ่นออกไปโอ้แต่ปวดหัวนะ น, นั่นนะว่าไเอก็เลยสีดยาไปห่อหันเป็นมันเป็นโร ง, งพยาบาล บำราดหนราดูลนโรคติดเชื้อพวกเชื้อเวื้อตฉเบืศาสตร์เกลือร้อนพวกที่เป็นเกียกาาเยเก่ยวกับมละเรียเกี่ยวกับยังนี่ยเขาจะเก่งบาดเนี่ยไรผ้าเนี่ยท่านหวดไปไปเขาก็เลยเป็นถามก็เลยว่าเขาดูดเลือดออกมาอะไรต่างเขาก็ตรวจตัวเขาก็ฉีดยาเข้าไปพอฉีดเข้าไปโอ้ตะแกวอ่ะ ดีอิลิวสั่นเนี่ยบ้าลวงพอดูดไปดูดเลือดเขาหาเสื้อเพเจอะกว่าเนี่ยแต่มันปวดตโดนไปปวดหัวมาในหมอเจริญเอท่านอาจารย์อคิดอย่างไลบอกสั่นเนี่ยนักอกนักใจยังยังไหลผมบวอนะเขาบอกมีเรื่องอีนักจินนักใจนาวะเขาบอกเป็นพระที่นักใจเรื่องอย่างมาเดี๋ยวก็ผมคือผ้าไปตรวจสั่นได้เอาปอนไปผ้าไปตรวจห้องหองตรวจสมอง มันไม่เครื่องพอพกสายไฟขนาดนี้แล้วนวาไปอแต่ว่าเสียนยิดน้อยทั้งหมดเนีไปก็ให้นอนในเตียงพอนอนในเตียงแล้วก็ใส่ใส่หัวนี่ยส า, าบหลับใส่แขนใส่เขาเขาบอกเขาเห็นปนานนั้นักเถื่อนนวลไปหลหรือนวลไปสายไฟอืเขาก็ตรวจพอตรวจแล้วก็มีอย่างอีกนอลไปโอป่านนั้นเลพอตรวจเสร็จแล้วบ่วนวนานนี้พอออก ไปประชุมมาบันเราไปชุมมาบันนะโอ้ตรวจเสร็จแล้วยังท่านอาจารย์เหรอตรวจแล้วเหรอโอ้เสียดายผมมาไม่ทันเห็นไหมมาบันท่านอยู่ที่ไหนแล้ววาถ้าผมมาทันผมจะบอกว่าให้ท่านอาจารย์เข้าสมาธิด้วซิเออให้ท่านอาจารย์เข้าสมาธิด้วยซิเออแล้วก็จะได้ตรวจเพราะหลวงปู่ชอบเนี่ยหลวงปู่ชอบไปตรวจ นี่แหะหลวงพระาบาลเอาหลวงปู่กันเขาสมาธิเด้อนิมนต์หลวงปู่เขาสมาธิจะได้จวดหลวงปู่ปขปป เ, ขเขาสมาธิอทั้งทีเอ็นขึ้นหัวใจมรจิตหนึ่งเสียวไปเอพ่อเขาพ่นเขาสมาธิเนี่ยขึ้นเออสายเรียบเลยหวานกว่าอือเพระจิตใจสมองมันบกิดอ่ะเอ่ที่ สมองมันบอบ ม, มันบอททำงานเนี่ยจิตจอดมันจุดว่าไปสมองมันจุดทำงานเนาะแล้วก็นพนวาเนเ่งเวลาเขาสมาธิเป็นยังสันบาาแล้วพลว่าอยากเห็นหลวงพ่อเนี่ยเขาสมาธิแบียดดันว่าไปจิเป็นยังไงว่าไปเฮ้ยโ อ, โอ้ดีแล้วเว้ยะ <laughs> <laughs> การหาม้านบอนงลงหลวงปู่สอบไปใหังไงนิว <laughs> แล้วเขาก็เลยนางนางอยู่มียายผู้หนึ่งประมาณจากอายุประมาณจากสี่สี่สิบกว่าหาสิบเนี่ยนะเขาพามาโรงพยาบาลมันไปเขาก็จูงแขนมานพอมาหอดทานพ่อหอดลงพ่อเนี่ยนางปลุกปบปับกากไปมันไปกาบปลุกปลุกปลุกปลุกปลุกกาบโบจักเศ้ามันไปกาบทั้งเก่าเธอมันไปทั้งพออ บอกเลิสนี่ถามยายทาไมกราบหลายครั้งนักเขากราบที่เขาก็กราบเพียงสามครั้งพุทโธธรมโมสังโฆหนึ่ยายกราบทั้งหลายครั้งไม่รู้กี่ครั้งในยายกราบยายคนนั้นเหลียวเบิงนาพออ่อนาไปพูดอะไรเหมือนกับว่าเขากราบเก้าครั้งเพื่อความก้าวหน้าของเขาก็ไม่รู้ก็ ก้าวเก้าข้างเพื่อความเก้าหนาวนั่นไปที่แท้โนะ ต, ตพ้นก้าวนั่นแหะโตบ้าแล้วนั่นไปเป็นโรคประสาทมากแล้วนังนไปจนเขาได้จ น, จนจะได้จับแขนมาล่งพยาบาลแล้วนั่นไปเออเป็นโรคประสาทจะบ้านตรวจพอพ่อมาเห็นผ้าบ้ากับผ้าเนี่ถือกันในแท้แท้ขันพ่อมาเห็นผ้านี่ยพอเราปูผ้าไปดึกแขนไปก็บอกไปนั่นวันนั่นไป ให้ดกลาบซะก่อนหนยไปกาปลาบปลอกปลอกปลอกปลอกปลอกพ่อพกลาบแล้วพอออกสงสัยแล้วเป็นบุคคยก็เห็นกลาบหลายประนนรเจืเธื่อเอาย้ายทําไมกล่าบอะไรมากมายเสียแล้วมองหนาพ อ, อ, อพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดอะไรเหมือนกับบ้าเขากลาบก้าวครั้งเพื่อความก้าวหน้าของเขาก็ไม่รู้หลวงพ่อยังจับมาลืกมาหน่อย พ่อนันพอเห็นลูกเห็นหลานไปไปกลับไปไส ไ, ไปกาบเก้าวัดหลวงพ่อเลยนึกขำขึ้นนึกขำขำขึ้นกั น, น่ะไปกราบเก้าวัดเพื่อความจเจริญก้าวนาเออไปอย่างนพ่อไปกาบเก้าวัดกันบางบางข้อหนึ่งกันหัวฟัดหัวเ ฟ, ฟียงเม่าเหล่ากันไปเส้ใสเส้สเสขวากันไปไปกาบเพื่อความจเจริญเก้าวนาของจของอ๋อ ก่อนที่จะไปกราบเพื่อคว่ำจะเล่นกาวนามันต้องมีคุณงามความดีเช่นก่อนเมนโมระมิ่งอย่าง ไ, ไปกราบม่นต้องเป็นกราบทั้งเก่าวัดเนาะเบ็นเสียจะไปเพื่อฟังเทศฟังร้ำของเพลินฟังโอวาตรของเพลินอันนั้นอีกแนวนึ่นงการว่าไปกาบไปไหว้ธรรมดาเนี่ยพระพุทธลูกยูนัในใสกับกาบเท่านั้นก็พ่อแล้ว เวียนเสด็จไปการาบพระกราบสงฆ์ครูบาอาจารย์เพื่อนมีอายุพันษาที่ห้องหูจักมักขุนเพิ่นไปนการาบไปไหวเพิเพื่อจะได้ฟังโอวาทของเพิ่นการเห็นพระครูบาอาจารย์สัมมนานันจะทัศนังเอตมังคารมุตตมังได้เห็นสัมมนาครูบาอาจารย์ที่คงแกเรียนบวชมานานพวกเรา พาลูกพาหลานไปเพื่อกราบเพื่อไหว้เข้ารบสักการะบูชามุดน้ำดำหัวตามประเพณีวันเข้าพรรษาอีกแนวหนึ่งบางคนมริคิดง่ายๆนี่กันว่ากราบเก้าวัดก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าไะหรกราบพระเก้าวัดกระน่วพวกเฮานะ คุณงามความดียกขับจบของทั้งมดนนะให้สร้างสมคุณงามความดีปุญคุศสเอาไว้เนคันาวาพวกเฮาบ่เห็ดบ่สางบ่รถมเอาไว้ไผยสิเห็ดให้เฮาพวกเฮาเกิดมาลยในผืนแผ่นดินไทยหลวงพ่อว่านับว่าโชคดีย่างมากๆปฏิรูประเทสวาโซจะปุกเพจากตะปุญญาตา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 มันห่อนไหลาคาดว่าหนาวขือนกันยังประเทศจีนก็ค้นตายขึ้นกันคาดว่าพายุทอร์นามันสี่แถวฟิลิปปินส์แถวบงังบังคลาเทศค้นก็ตายขึ้นกันแต่เมืองไทยของเฮานี่เบิงเบิงแล้วก่อบอถึงอันตรายถึงขนาดนั้นแต่ก็มีมีบ้างบอถึงอันตรายมากอันนี้เรื่อว่าปฏิโรปรเทสวารโซจะอยู่ในประเทศอันทรงขุน ภูพเพจักกตะปุญญาตาพวกเ้าคงจะได้สร้างบุญไว้ในอดีตจึงไงในมากเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวน้ามข้าวน้ามโภชนะอาหารเพราะวา่าเข้าคานว่าเข้าไปเกิดพิธีพิทักงไปเกิดแถวอฟริกาังสันบาปผ้าไปเกิดไปเกิดในประเทศที่อดอยากท่องใหญ่ๆขาหลีบๆหัวโตๆ ที่เขาเห็นในซื้อที่เขาเอามาให้เบิร์เนีถ้าห่อไปเกิดจังสันแปลว่าประเกิดไปเกิดในประเทศที่อดหยาบเนี่ยบอมนันเนี่ยปฏิรูปรประเทศอันนี้เข้าเด็กมาเกิดในี่ยปฏิรูปประเทศเนี่ยพอเขาได้ทำกรรมดีไว้ในอดีตเกได้มาเกิดจังหมองจังซีแต่ว่าเข้ามาเกิดหมองจังซีแล้วเท่าตั้งอยู่ในความประมาท บริสุสร้างสมบุรณกุศลเอาไว้เฮ้เฮากับตกตําไปอีกได้ปาะเนี่ยเรียกว่าอัตตะส ม, มาปนิธิตั้งตนไว้บริษัทเป็นไรลืมลงมั่วเมาในการเป็นอยู่ของเจ้าของไม่ได้บริสุสร้างสบุรสร้างกุศลใส่เจ้าของอพอออกจากชาตินี้ไปแล้วกขาบอกจักที่ไปใส่ละเพราะนนั้ในพวกเฮ้าเลยเกิดมาในผืนแผ่นดินไทยพระเจ้าแผ่นดิน ก็ ه, เป็นพุทธมามากะพุทธศาสน si ูประถมภกเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาผูกลูกหลานทั้งหลายเขามาบวชในพระพุทธศาสนากับบกเคิกเคิเคินเคินเพราะเหตุใดเพราะในหลวงผ้าบวชประมุกผ้าบวชในหลวงพ้นผ้าบวชเพราะนั้นเข้าบวชเขามาเข้ากับบกเคิเคินเพราะเหตุใดเพราะผู้ใหญ่ในแผ่นดินเป็น <Colombia> ให้การทรงเสริมเฮาท่งเสริมพระพุทธศาสนานี่แหละอันนี้ก็คืออันหนึง่งในเมื่อเฮาพบพระพุทธศาสนาแล้วเฮาควรจะปฏิบัติตนจังไรบา่าควรจะประกอบคุณงามความดีตั้งตนไว้ให้ชอบประกอบคุณงามความดีเฮาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ผู้บ่ายจาร์อีกต่างหากตัวนี้แหละตัวสีสําคัญ ติดเจอพบพ่อแม่กูบาอาจารย์นี่แหละฟังดูสิบานเข้าใ้ศึกษาเบื้องบัตธรรมเทศนาของเพิ่นธรรมอเลกิตคิดของเพิ่นที่นังซื้อบั่ง mp สมบั่งสถานีวิทยุเสียงท่ำของโวงตาประกาศทั้งวีทั้งวันขันเฮ้าสนใจใส่ใจในการได้งิ้ยนในฟังเ้าก็จะได้นํำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าจจใจของเขาะบาต เพราะนั้นเข้าเกิดมาในยุคนี้สไบนี้ย่าให้เปล่าประโยชน์สรุปแล้ก็คือให้สร้างสมคุณงามความดีไว้นะถูกพาลูกพ า, ล, กพาลานนองลุงทั้งหลายจัดท่ายาดโน้มทั้งหลายอย่าจังยุในความประมาทจนเกินไปชีวิตของพวกเขานี่นับเบิ้งแล้วมันว่ามันยูหลวงอยู่หลายอย่างด เ, เดี๋ยวเป็นพระเดี๋ยวองค์นั่นไปเดี๋ยวองค์นี่ไป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 ข้อยใดเพราะพัรษาพอนกว่าพื่อลงพรเนี่ยเป็นเน่นเลยเป็นเน่นมา ก, ก่อนยังมาท่านนับเอาในทองแม่อีกสเดือนเท่านั้นก่อนบวช น, นะบวชท่านเต็มขังแต่ในพระวินัยเพื่อนใ้นับเพืนเก้าเดือนแต่หลวงปู่หลาเพื่นนับพอนสามเดือนนี่แหละลงพอจึงมีอายุพรรษามากกว่าทุกกงบางองค์เพื่อนก็คัดเลือกทั้หารแล้วเพื่อนยังค่อยบวชยีปียังค่อยบวช แต่หลวงพ่อบวชเพราอายุยสิบยังว่าท่านเต็มคักหลวงพ่อบวชพราะนั้นจึงมีอายุจังมีพัรษาแกกว่าพวกตุ่นเล่าข้าเดียวกัน<ฮ>นี่ลหละจากนั้นถึงจะเป็นคู่บาอาจารย์พระสงก็เถอะกะล่วงรับรับขันไปตายไปอย่างบ ง, ง่ง่ายมรณะภาพไปนี่การณ์ศรัทธาญาติโยมขึ้นกันพวกเฮ้า บอมเปูญาตายง่ายก็ไปลโล่งลุยไปตามอายุสังขัดแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นกระบอแมนจะเอาความตายมักคูกันกระบแมนเพียงแต่ชี้ให้เบิงา่าค้นเฮ้าเกิดมาเนี่ยบ่มีพา ย, ยุสัวฝ่าดินสลเนาะผัวเฮ้าทุกขุกทุกคนควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสางบุญสางกุศลเข้าสู้จิตสู้ใจ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 รักษาศีลภาวนาการให้ท่านเนี่ยก็มันมีหลายอย่างก็มาท่านท่านไม่หลายอย่างอามิชทานคือให้อามิศเขาน้าผู้ชนะอาหารอามิชทานวิทยาทานคือคือให้ความรูก้กับคนที่บ่งหูสั่งสอนแนะนําเขาอันนี้วิทยาทาน อภัยทานก็คือหายการหายอภัยซึ่งกันและกันพอถือโทษโกรธเครื่องบ่ผูกพยาบาทอาฆาตจนเกินไปอันนี้ว่าอภัยามมทานธรรมทานคือหายความรู้เรื่องธรร ม, มะกับพวกคณะจัดท่ทาหยาดน้อมลูกหลานทุกขูทุกคนที่มากเกี่ยวข้องผูทฏิปัญหูธรร ม, มะเป็นกันแนน้ำสังสอนให้ฟังอันนี้ว่าธรร ม, มทาน การท่านก็มีหลายอย่างศินสาหรับผูกเข้าคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็คือสินหาสินหานี่ก็คืออย่าคิดขากันเนอะยาขโมยกันให้เคารพศิษย์ในสามีภรรยาซึ่งกันและกันอย่าไปโกหกอย่าไปขี่ตัวอย่าไปกินเหล่าแต่ว่ากินเหล่าเข้าไปแหละมันเมาขาดชะติมันเมาแล้วมันขาดชะติ พรามันขาดสติแล้วคนขาดการยับยัง้งเหตุความซั่มๆเลทุกอย่างเพราะคนขาดสติคือคนเป็นบา้าสั่นแะในเมื่อคนเป็นบ้านี่ก็เหตุอย่างใดมัดทุกอย่างนะ่ะขาค้นก็ได้ขมโมยเขาก็ได้พิษลูกพิษเมียเขาก็ได้ขี่ตัวเขาก็ได้เพราเห็ุได้เพราะมันขาดสตินี่แหละคือศินสําหรับคารเะงายย่ายง่อมอันนี้ก็เป็นนาทีของพวกเข้าอันนี้คือคุณง่ามความดีคือกัน จากนั่นก็เรื่องพอวนานี่ยเรื่องพอวนานี่สําคัญเลยควรจะศึกษาพ่อเป็นลูกชิ์ของพ่อแม่ผูบาอาจารย์สายหลวงปูหมันหลวงปูหมันเพิ่นสอนจังไรหลวงตามาหาบัวสอนจังไรหลวงปูชอบหลวงปูเขาวคู่บาอาจารย์ของเฮ้าที่เพิ่นหลวงรับดับคับนไปล้วนแล้วจะเป็นพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ที่นาเคารพนับถือเหลื่อมสายทั้งหมด ในเพื่อเพลินวรณาภาพลงไปแล้วเนี่ยบอห น, นกระดูกของเพิินกระเ ด, ดกลายเป็นพระธาตุให้เห่าได้ดกราบได้วายได้เห็นเป็นสักขีพยานกระดูกที่กลายเป็นพระธาตุคือกระดูกของพระอรหันต์พูดง่ายๆช่งสัตว์เพราะนั่นพวกเข้ามากเกิดมายุคนี้สมัยนี้บอ่อเปล่าประโยชน์นะลูกหลานนะถ้าเห่าคิดถูกให้ดีแล้วเกิดมาในระวางท่ามกลาพระอระหันต์ยังมีอยู่ในโลกอยู่ เพราะนั้นพวกเข้าจะตั้งยุทธวความประมาทให้ศึกษาที่พ่อแม่ผู้บาอาจารย์เพิ่นสอนจังไรเพิ่นก็นเอารักถ้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้านะมาสอนมาสอนพวกเขา้าแต่ว่า บ, บางครัง้งเพิ่นกับประยุกต์นํามาใช่ให้เกิดประโยชน์สําหรับพวกเขา้าเพิ่นได้ปฏิบัติมาใดจังไรแต่ละองค์เพิ่นกับ น, น้ำถ้ำข้าสอนนะั่นอะเอามาบอกมากเอาสําหรับให้พวกเข้าได้ฟังได้ศึกษา คือการกับผู้หนึ่งเพิ่นไปเฮ็ดหน้าเพิ่นก็นอธิบายเออวิธีเฮ็ดหน้าเฮ็ดจี่ถึงสี่เนอะเดขาเพืก็ขายผู้หนึ่งเพิ่นก็นว่าเออผมธนัดทังสวนยางปลูกยางจากสี่ถึงสี่แล้วขายได้เงินผู้หนึ่งบ่ผมธนัดทั้งเฮ็ดข้าวโพดปลูกข้าวโพดแบบนี้เป็นขายได้เงินผู้หนึ่งกับ น, นัอกผมเฮ็ดลาดมันเฮ็ดปลูกมัน ปลูกมั่นขายปลูกมันๆๆก่นแบบนี้แบนี้เราก็ขายก็ได้เงินอันนี้คือกันคู่บาอาจารย์บางองค์เพิ่นอาจจะนัดในการแนะนํากรรมฐานนะครับพระลูกพระลานคณะรัทธาญาติโยมพุทธเนนแต่ละองค์แต่ว่าถึงยังไงก็ตามเรื่องหวงปูมั่นเพิ่นจะแนะนําออกกาวให้พวกลูกพวกลานคณะรัทธาญาติโยมเพิ่นว่าให้ภาวหน้าพุ ท, พพทโทษเน้อ นหให้ภาวนาพุทโธคนวะให้นึกพุทโธให้มีพุทโธอยู่กับพุทโธแต่ละมือแต่ละเวน้นว่างๆขึ้นมากกว่างช่วงไหนก็นให้ภาวนายาได้ขาดมือหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเน่ยสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งได้ไหมให้นั่งภาวนานั่งให้คัตสมาธินั่งภาวนาถ้าได้ก็แปลว่าได้แหละห้าวตังอยู่ในความไม่ประมาท แต่ว่าหากว่าเห่าวไดเทาวนาวัดไรวายพระสวดมนต์ไปเรื่อยเนยู่ไปโย่ไปหยกหอดมืนเลยเออลมหายตายจากไปจะสื่ออันนั้นพ้นวะตั้งอยู่ในความประมาทอย่างมากพรนณ์พลอยพวกเห่าเนื้อลูกหลานก่อนรับก่อนนั่งคูบาญาย์เพจน์ในะนําสั่งสอนให้ไหวพระก่อนเนื้อวัดใหญ่มากให้ไหวเออว่าไม่จะไหวปลุกปลกกระทั่งน้าตาไหลพร่อม ทั้งที่นอนพอบอ น, นันก็ตั้งอกตั้งใจอิรินะกราบพุทธโธกราบครั้งที่สองธรมโมกราบครั้งที่สามสังโฆหลวงปู่หลาพันวะนิพพานังหยกมือใสหัวกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานไอ้พันวะความหมายนะิพพานังพุทธโธธรรมโมสังโฆนิพพานัง อย่างนั่นครับอรหังเหล่านี้อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระเขาวาพุธทธั้งพระาว่านต่างอภิวาทเทมิกาบสวาขาตุพระวาตาธโมธามังนมัตสามิกาบสุปฏิปโนพระเวาตุสาวกาสังโคสังข่างนมามิกาบและกับปโนมมือณโมตัสสะพระเาวาตุสมครั้งข้าพรเจ้าขอนอบนอมแด่พระผู้มีพระภาคอารหังตัสสัมมาสัมพุธทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยกล่าวถึงณโมสามจบ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 จากนั่นก็แผ่เมตตาแล้วบนี้อาหางสุกิตโตโฮมินิทุคุงโหมิหรือว่าเห่าบอา่อใดบอ่อใดเข้ามาอาหารสุกิตโตโหมิก็ว่าเป็นภาษาของเห่าก็ะไดวัดน้มมือขึ้นระวงังอกทำใจเห็นนิ่งนิ่งนึกแน่ใจข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างใด ผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทัวไตรโลกธาตุก็ขอไอเมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆวิญญาณทุกๆดวงใจด้วยเถิดอันนี้คือภือาวนาหรือว่าเมตตาออกมาจากใจจริงทุกขังขันคุณค้นที่มีเมตตาอยู่นรสถานที่ใดไปนสถานที่ใดอยู่ในธรรมในผู้ในพรปาโอง พ่องไพป้าชาติที่ไหนก็ตามถ้าว่าเข้ามีเมตตาในจิตในใจอยู่ใส่ก็อยู่นอนก็บอกบ่ฝันไายคนที่มีเมตตาเฮ้นอนบอกฝันไหลยอยู่ใสก็เป็นสุกบอกมีเวนมีไัยกับผูได้เพราะเหตุได้เพราะเามีเมตตาเนี่แหละให้พวกเข้าจําไว้นะก่อนรับก่อนนอนคือกันแยามมือเศร้าไหวเท่านี้ก็พ่อละถ้าผูดได้ได้ไหวลไรก็แห้งดีแต่ไหวเพ่าะไรก็เอาท่านี้ นโมทัสสะผูาทั้งธรรมังสังขัางท่านี่แหละและกัแผ่เมตตาจากนั่นก็ให้นั่งภาวนาผัสแต่นั่งภาวนานี่อยากจะให้นั่งคู่มือก่อนรับก่อนนอนแ ก, ก็บก่บอนสีนังภาวนานให้ดับวิทยุโทรทัศน์ในบ้านเจก่อนโทรทัศน์โทรศัพ ท, ท์ก็ให้ดับไว้ก่อนอย่าไปเปิดไว้ถ้ามันเปิดเยอะมากมันกวนมันกวนเฮาให้สตาร์ททับเจ้าจก่อน มันปอพอสีหังสีมีย่อนโทรศัพท์ิยุโทรทัศน์พ่อปนันออให้ถิ่นไปก่อนป้าไปก่อนเข้านั่งพ่อวนาสักวันาจากนั้นก็ น, นั่งคือยังหลวงปู่หมันนั่งเห็นไหมที่ลูกหลวงปู่หมันนั่งออขาขวาทับขาซ้ายเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเรียบร้อยแล้วให้กวกเข้าปั่นมมือขึ้นระวางอกปั่นโนมมือขึ้นไหวคู่สัก่อน ว่าพระพุทธเจ้าพระถ้ำพระสงฆ์สัก่อนพ่อประนมพื่งเกิดระว่างโอกระพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆคือเข้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ตัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตพระธรรมก็คือค้ำสังสอนของพระพุทธเจ้าที่คนแนะนำสังสอนให้วิธีการ ใหท่านรักษาศีลแล้วก็วิธีภาวนาอย่างที่เขากําลังที่ภาวนาเนี่ยใ น, ในถรำข้าสอนพึ่นสอนให้ภาวนาจังซส่สังโคก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้นำพระถรมคําสอนมาประ ก, กาศมาเผยแผ่แนะนําสั่งสอนพวกเฮาให้หูจักดีหูจักชั่วให้หูจักก่อการวิธีปฏิบัติเอาวิจิตรวิธีการภาวนาจังซียละนี่แหละเวลาเฮานัง แล้วก็พุโทโธตโมสังโฆสามจบแล้วเอามือร่องไปเพราะเอามือร่องแล้วก็กําหนดล่มหายใจเข่าหายใจเข่าพดหายใจออกโทงอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มันได้บาตนี้ยหลวงปู่หมันเพจนแนะนําสังสอนคู่บาอาจารย์บว่าหลวงปู่ฝันบว่าหลวงปู่เขาบว่าหลวงปู่มหาบวารหลวงปู่หลาหลวงปู่ชอบเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มันเ่ะ หลวงปู่มันทีสอนให้ภาวนาพุทโธบานนี่กูบาอาจารย์รุ่นนี่แหละไปไปไสเพิ่งกัให้พรวนาพุทโธเนอะามแนวแถวหลวงปู่มันสอนแต่รักถรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะไทยเปรียบเทียบว่าถรำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ไปตัดสรุปที่โคนตนโพ่อพุทธกญาณเพรนังพระวนาคือกันขาขวาทับขาสายมือขวาทับมือสายสิทธะนะ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 ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเนอะอันนี้ว่าอาณาปานตัติกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่หลวงปู่หมันเพิ่์ว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกจะซึๆมันหลุดง่ายมันหลงง่ายมันลื่มง่ายให้ซ้ำทับเอาพุทธโเขาซ้ำทับเขาอีกนะเนอเวลาหายใจเขาบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโธพุทธโธถ้ามันเผลอไปดึงกลับึ้นมา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 ให้ใหายใจให้ใจบน่นวนไปให้ใจจมวนไปให้ใจจมแต่ให้มีสติในใจที่มันจมเน่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธจนหมดมีทางออ ก, ก น, นะเน<ม>ี่ยเป็นอย่างมันออกมันออกช่องไหนเอี่อันนี้ก็คืออันหนึง่งแต่หลวงพ่อแนะนําอีกช่วงหนึ่งก็คือหลวลงพ่อว่าให้พวกเข้าล่องล่องนับนะวิธีการที่หลวงพอบอกเนี่ยเวลาหายใจเขา่าให้เข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหก ถึงลอยขันโมเผอนับหนึ่งอีกถึงลอยคามันเผอมันเผอ เ, เ, เป็นยังไงมันยังไม่ยังเผอกับมันรับนึงอีกมันพอดใส่มันเผอเลยกับมันับนึงมันเป็นอยังไงยังเผอเบางสังเกตให้บางเอกมันเผอมันเผลอจังไหรให้สังเกตเอาหายใจเข้า1เป็นเลขคี่นะหนนเป็นเลขคี่สเป็นเลขคู่สามเป็นเลขคี่สเป็นเลขคู่ หาเ ป, เ, ขขเป็นเลขคี่หกเป็นเลขคู่แปลว่าหายใจเข่านี่เป็นเลขคี่หายใจออกเป็นเลขคู่ไปจนถึงร้อยคี่คู่คี่คู่คี่คู่ไปแต่มันบาหามันสิหลงมันสิเผอเนี่ยมัน่นสิเบื่อสักหน่อยได้เพราะมันเบอ่อใช่แล้วบาทเนี่ยมันหายใจเข่า ข, ขี่หายใจออกคู่ได้หว่าเนี่อแบบมันหลงเงินแล้วโอ้ว่าไกรกลับมาใหม่อีกตั้งไม่อีกโอ้มันเผอจังไรวะ มันทําไมมันเผลอวะข้านว่ามันนับว่ท่านถึงสีเหมือนเผลอหอดซีหเถื่อนอะย่าไปชะลาาใจได้บา่บายป่าตัวตัวตัวตกูเนี่ยสติกูนมันปานนี่บอกขั้นเผลอเผอกว่านี่กูจะเป็นบาทท้าค่ะค่ะแบบเนี้่ยให้ถามเจ้าของรถดมันไปกูจะเป็นบ้าทแ ท, ท้แท้เนีมันเผลอสติปันเนี่อต้องตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้น อ, อีกนี่แหละคนที่มีสติแล้วว่าเป็นบ้า เออพอเป็นอัลไซเมอร์ต่างหาะผู้นั่งคนที่เป็นอันไซเมอเนี่คือคนลืมสติเพ้อเอเลื่อเลื่อนเรื่องเลื่อนลอยลไปอยงนั้นเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องฝึกไปนะสติสัมปชัญญะจุดนี้นะในเมื่อเข้าภาวนากำหนดลมหายใจเข่าออกเรื่อว่านับหนึ่งสองสามถึงลอยกับมากับผัดมันโบเผอได้เร่จิตจิตให้เข้าดีเดเร่เข้ากัมาบริกรรมพุทโธมาอีกพุทโธพุทโธพุทโธ จานั้นจิตใจของเขาสงบระบาดเอจิตใจมันจะบอกออกไปทั้งนอกระบาดจิตใจจะยุ่งหนึ่งพอจากนั้นจิตใจร่วมสงบปับเย็นสบายฮพอเย็นสบายเนี่ยบางที่มันออกมันอาจจะบออยู่ห น, น้าเนยมันอาจจะแวบไปนั่นก็ไปแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามในขณะที่มันจิตใจร่วมสงบชั่วขณะหนึ่งเพียงแคลนันละ่ะเขายัางจําบอลืมูมเลยโอ้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 พนั้นเวลาเฮานางพ่อหน้าเมื่อคิดสงบผอาไปแล้วบ่เนี้ยเรามาต้องคํามันจะงบหรือว่าสงบก็ตามถ้ามันเป็นนี่จะแล้วเฮ้ามาต้องตามมันละเฮ <c ười> ้าให้มีแต่เบิ่งต้นเหตุของมันมีแต่พยายามเบิ่งพุทโทพุทโทษเนะียจะให้มันเผอคานว่าคิตใจเฮ้าต่อไปเฮ้าจิตใจของเฮ้าเป็นสมารถทีดีแล้วบ่เนี่ยใจของเฮ้าคิดเรื่องอย่างบ่เนี่ยสติของเฮ้าตามท่านเด้เฮาคิดเรื่องในใจของเฮ้าเนี่ตามสติของเฮ้าเนี่ตาม ตามใจเจของท่านมาเนยะมันคิดเรื่องอย่างก็ตามลู่รูููู่่มันถึงว่าส่งจิตออกนอกมาเลยบ่หิวบ่ห้อยวันออกไปอยู่ใสสบายในจิตใจอันนี้ว่าจิตที่เป็นอุ ป, ปจาระสมาธิถ้าว่าจิตบาปเออเย็นสบายนะอันนั้นจิตที่เป็นคณิกะสมาธิเออแต่ว่าจิตที่มันสติกับจิตเนี่ควบคุมไปด้วยกันบ่หิวบ่หอยเนี่ยมีความสุข อันนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิจิตที่เป็นอุปจาระทามันดึงลงไปกว่นานั้นอีกสงบลงไปกว่นานั้นอีกจนพ่เห็นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นไปว่าอัปปนาสมาธิในเมื่อจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่เนิ่งลงไปขนาดเฮ้าสิ้งหูได้ด้วยตนเองเลยบด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 ยังหลงตาพันวาเนี่าใจมัมีปาชาพ่นวาร่างกายเนี่มีปาชาใจันี่ยมีปาชาออกจากร่างไปเกิดไปยึดหมองอื่นอีกไปปฏิโนทีอีกไปหาเกิดอีกซลบแล้วลงพอเลยเปียดเทียมให้พวกคณะจัดท่าญาติโยมลูกหลานได้ฟังว่าร่างกายเนี่ยมันขึ้นกันกับรถนะลูกหลา น, นะแต่จิตใจมันขึ้ ก, กันกับโซ่เฟอร์อรถโซ่เฟอร์รถกับรถนี่ยมันอาศัยกันนะ รถมันจะไปได้ก็ต้องอาศัยโซเฟอร์แต่โซ่เฟอร์อีกสักมือนึงรถมันใส่งานมานันรถมันก็มดสภาพตายรถตายเพราะมันมัดสภาพเมื่อมัดสภาพเนี่ยโซเฟอร์ก็ต้องออกจากรถแล้วบัดนี่พรเห็ุไดจะไปเฝ้านั่งรถจนรถตายแล้วก็ต้องไปหาซื้อรถขั้นอื่นแล้วบาดแต่ว่าก่อนที่จะไปหาซื้อรถขั้นอื่นเนี่ยเขาได้เตรียมเงินไว้บ่อบัดในขณะที่มีรถขั้นนี้อยู่เนี่ย ในขณะที่พี่รถเนี่ยเข้าในทำมาค้าขายยางบอ่อเข้าในหาเงินใบบ่อเข้าในเสาะแสวงหาบุญไวบ้บ่อขั้นมีแต่ลืมหลงไปแต่กินมมเหล้าเมายาสามเณรเทเม้าไปเลยบริคิดแต่อันเนียงพ่อรถขั้นเองมดสภาพนะนะโซ่เฟอร์ตะนันห้อยยางออกจากรถโกยโกยแล้ววนันยักที่ไปใส่มากลยติไปหาสื่อรถขั้นอื่นกับอะไรเรียบ่้อยเอาไป ม, มัําเลี้ยวพุ่นเลี้ยวพี่ก็ไปหาเกิดเป็นหมูหมากาไก่ไปลววะวันไปเกิดได้ทั้งนั้นเน๊วิน ญ, ญาณ น, นี่ มันโมเมนต์ไปเกิดมเป็นโคดนใดนย่างเดียวเลยขันห้าว่มมีบุญให้ห้าวในถ้ำบาไปไว้นี่ยนะออกจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่อะไรเป็นเป็นสั่งมากง่วงควายเป็นสัตดเล็กสัตว์น่อยในโลกนี่มีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยที่วิ ญ, ญญาณจะไปเกิดเพราะฉนั้นให้พวกเข้าลูกหลานทั้งหลายเกิดมาได้พบพบพุทธศาสนาพบพบเจ้าพ่อแม่คู่บาอาจารย์ให้ลูกหลานทั้งหลายให้ประกอบคุณงามความดี ให้นั่งภาะวะนาบะตองถามไพรดอกการวาอยากจะาหูตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญนะ่ะให้นั่งภาะวะนาท่าจิตใจให้สงบอย่างทิวานนะ่ะแต่ว่าใจสงบเน่งโลกไปแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายขับใจใจขับกายเออมันอาศัยกันอยู่ว่า ม, มนันอันเดียวกัดประเด็นขอให้ลูกหลานทุกขงทุกคนน่ะเกิดมาได้พระพุทธศาสนาแล้วจะได้เปล่าประโยชน์ให้สร้างสมคุณงามความดี เป็นโซ่เฟ้อให้สแสวงหาเงินเข้ากระเป๋าเอาไว้การว่าพวกเฮาขี่เกียจขี่ข้านบวดเจื้ออีกต่างหากาตายออกจากชาตินะเฮ้อาจจะไปเกิดเป็นหมูหมา ก, กาไก่เป็นเกิดไปได้ทั้งหมดเพราหนั้งข่าวว่าเฮาสางคุณงามความดีบุญกุศลกับเขาสู้ชิดเขาสู้ใจของพวกเฮาพวกเฮาไปใส่สมุนเฮาไปใส่ก็คือเงินในกระเป๋าของเฮาพี่นะยังมือนีละเนีมือนีพวกเฮาก็มา สัางบุญสั่งกุศลเลยมาหาเงินเขากับเปาได้มือนะี่มาสังบุญมือนะี่ไปตามวัดต่างๆอ่ไปกราบไปไหว้พระพุทธรลปกราบไหว้คูบาอาจารย์มาวัดหลวงพอ่อนะี่ยหลวงพ่อให้อวาัตเป็นแนวความคิดสาหรับลูกสาหรับล้านให้เป็นแนวความคิดให้คิดบ้างลูอที่หลวงพ่อวาวเนะี่ยอาเป็นแนวทางแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติอีก่างหากเนะ ไอ้วามแมนที่บอกให้ฟัง่งกระเช้อรลคดามแมนเด้ไอ้ฟัง่งอะไรใครเออใช่หลวงพ่ออินเพิ่นบอกว่าให้นั่งพาวนาขาขวาทับขาซ้ า, ายให้บริกรมพุโทโโธพุโทโโธหายใจเข่าพุทหายใจออกโธขั้นว่ามันบออยู่ให้พุโทโธพุโทโธพุโทพโธหาทีขั้นว่าจิตใจยังบัดท่านอยู่ให้นับหนึ่งสองสามถึงลอยแล้วก็นับไป อจากนั้นพ่อมันอยู่เลยให้มาพุทภาวนาพุโทโธอีกอคิตสงบหนี่งพนวามิอยู่สามสามคณะคณะกาอุปจารอัปปนาสมาธิแต่เมื่อคิดเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเข้าจะหูได้โดยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญล่อกอ ง, งก่อนหน้าอยากจะใหลูกให้หลานคณะทัดทายญาติโยมทดลองเบังหน้าภาวนาตามแนวแถวพ่อแม่คูบาอาจารย์